เชืวว่อตอนที่เขาเลือกสถานที่นะตรงใจกลางของทุ่งลาบเกดุเขาเรียกทุ่งลาบเกดุนะฮะมันมีเนินย่อมย่อมที่เป็นหินอยู่คือภูเขาที่โผล่ขึ้นมาเพรยอดที่เป็นหินนะฮะแต่รากข้างล่างเป็นภูเขาทั้งแๆนะฮะเขาก็เลือกสร้างบนนี้เลยครับคือใช้ไม่ต้องคํานึงถึงการตอกฐานรากเ พ, เพิ่มสมรรถ น, อนนะอเนื้อคือสร้างบนภูเขานี้เลยนะฮะอาศัยธรรมชาตินั่นเอง เป็นฐานลากที่จริงมีสถุบริวารอยู่นะคือจันดีเมนดุตจันดีเมนดุตจันดีปรวรนแล้วก็จันดีบรรพุตนะฮะทั้งสามสิ่งนี้เนื่องและสัมพันธ์นครับเพื่อให้เป็นทางจากทางเข้าใหญ่เนเก้ากิโลนะฮะเมื่อศาสนิกที่ที่เดินหรือพระราชานะครับครั้งกันนั้นเนี่ยนั่งช้างมาคดีก็มาพักแห่งแรกประมาอจะนั่งม้านั่งหลังม้าซึ่งเป็นเพนีโบราณถึงเนื่องมาจากพระเจ้าพิมพิสารนะฮะ เมื่อเสด็จไปเฝ้าพุทธองค์ที่คิชกูดเพื่อจะแสดงคารวะอย่างสูงก็คือนั่งช้างมาท่อนหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นนั่งหลังมา้าแล้วก็เดินเท้าทำประทักษิณเนะที่นี่เข้าใจว่าคงได้ต้นแบบเปนอย่างนั้นครับจึงสร้างปากทางเป็นจันดีเลี้ยงคล้ายๆเจดีนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะโยงกันหรือเปล่านะจะดีเมนดุตซึ่งมีพุทธรูปที่สวยงามมากนะฮะโปรยสัตว์โปรเศษสวยนยิ่งงดงามยิ่ง ต่อมาอกสักจากจันดีเมนดุตถึงบรูบูโตนี่สามกิโลพอดีครับประวนอยู่ตรงกลางครับคล้ายๆพักเป็นช่วงช่วงขึ้นมาทีนี้ถ้าจะถามว่าบรบูโดมีเป้าหมายฟังก์ชันนะครับเป้าหมายเพื่ออะไรกันแน่ผมตอบได้เลยนะในหลายหลายมติที่ว่าการแรกจะสร้างเจดีแห่งโลกตราของโลกปิ่พบ หรือบางคนคิดสนินิฐานวะ่าเป็นคอสมิกเมล์เท่นนะเป็นภูเขาแห่งจั ก, กรวาลเป็นมณฑนธรรมพูดกันเป็นร้อยๆความเห็นเลยร้อยๆคำเลยนะแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือเป็นที่อภิเศษผู้มาใหม่ครับอภิเศกหมายถึงว่าการบวชเพื่อ ย, ยกระดับบางทีนะครับอันนี้ต้องใช้คำบางทีอาจจะเป็นที่กระทําให้คนรู้สึก เปลี่ยนแปลงโดยใช้สถาปัตยกรรมซึ่งนับเป็นครามเฉลียวฉลาดตัวในช่างถามนิกเองต้องต้องลึกซึ้งมากครับจึงสามารถประสาน ร, ระหว่าง time space การยกระดับผนังที่กัน้นเมื่อเรานั่งในห้องนี้นะความรู้สึกขเรารับรู้จากผนังอยานี้นห้องกว้างไปทางนี้ก็ร้อยวานี่เราจะรู้สึกแบบนี้ เรารู้สึกภายในเป็นมิติเนื่องกับภายนอกครับผมหมายาที่ผิวหน้านะครับจนเราเข้าไปที่โบสถ์รู้สึกสงบ อ, อย่างตลาดที่นี่ถูก shorter, uh huh. ออกแบบไว้อย่างดีเพื่ออินิเชตเพื่ออพิเศษผู้เข้าไปในสถานที่นั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่เวิร์คครับเพราะล้วนแล้วแต่มนักท่องเที่ยวไปกันเป็นกระแสน้ําเลยครับแต่ถ้าใครไปเพื่อเจตนารมณดั้งเดิมนั้นจะพบความลําบาก ผมเองก็พบครับแต่ว่าตัดสินใจไม่สนใจใครั้งนั้นนั่งตรงนั้นนะครับทำอะไรที่เราอยากจะทำการภาวนา อ, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งลำบากมากครับอดทนที่รอเวลาที่คนหมดแล้วเแต่โชคดีนิดนึงตรงที่รัฐบาล เ, เขาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงชาวพุทธเขาก็อนุญาตให้ชาวพุทธที่จะไปประกอบพิธีกรรมหรือทากิตภาวนาเนี้ย เข้าไปในตอนคืนได้แต่ต้องไปเช่าบ้านพักรัฐบาลอยู่มีบ้า น, นพักแพงนิดหน่อยครับอ า, รอาหารพร้อมมออีผมไม่ได้โฆษณาคือละแปดร้อยบาทของเราเนี่ยครับแปดร้อยบาทนี่หมายถึงอาหารทุกมือ้อเลยฮะแล้วก็นอนได้สามคนซึ่งเมื่อต่อแปดร้อยบา ท, ต, บาทต่อห้องครับมเป็นเช่นนั้นสามารถขึ้นไปบนบริบูโดได้ทุกเวลา ใกล้สว่างหรือเชียงคืน้นะผมก็จะมีไม่มากครับไม่มากนักครับไม่มากนะแล้วบ้านพักของเอกชนธรรมดาก็ถูกหน่อยครับแปดสิบาทร้อยบาทอะไรอย่างนี้นะผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับว่ามุสลิมก็มีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องไปเมกกะชาวพุทธก็มักนิยมไปพุทธกยาครับแต่พุทธกยาก็เปลี่ยนแปงลงไปมากเนื่องจากฐานที่พุทธยาเองนั้น ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธนะร้อเปอร์เ็น์ะฮะเดี๋ยวนี้เรายังมีคำมิตีกรรมการร่วมเพราะที่ดินนั้นเป็นของมหันของศาสนาฮินดูนิกายหนะึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้อนาคาริกะธรรมปาระได้ต่อสู้โดยการช่วยเหลือของมหาธรรมคันธีนะครับเพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวพุทธแต่ในี่สุดก็จะเรียไม่บรรลุเป้าหมายต้องตั้งกรรมการร่วมนะเพราะตัว สถูกสถานที่นั้นเน่ยนะเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่เจ้าของที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกเช่นเดียวที่บรุโปโจรครับแต่ของประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมซึ่งลี้คลายทางด้านมนุษยธรรมมากแล้วครับดังนั้นชาวมุสลิมก็ภาคภูมิในบริโปโดนี้มากถึงได้เรียกว่า our Temple เลยนฮะเป็นโบสถ์ของพวกเราถ้าเป็นไปได้ มีตังใช้พอจะเดินทางนะผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นบุญตามากๆบที่มันจะเร้าศรัทธาให้เกิดขึ้นในคำนองที่ว่าทำไมเนาะคนบราณเขาถึงจริงจังมากจริงใจมากกับเรื่องอะไ น, นี้นะประจักพยาณนี้อาจจะกระตุ้นเตือนให้เราทำอะไรบ้างเพื่อประโยชน์สังคมโลกต่อขึ้นมนุษย์แต่แม้ว่าไม่ได้ไปดูจะยินได้ฟังก็น่าจะสบายอารมณ์ขึ้นบ้างหรือเปล่าครับ คือว่าสิ่งสวยงามเมื่อถูกระบุถึงเนะืที่จริงความงามนั้นซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจเราเองครับเหมือนกว่าเรารักแม่เรารู้สึกแม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกทั้งๆที่แม่เราจริงๆอาจจะผิวกระดมกระด่างเหมือนเหมือนแม่คนอื่นความงามนั้นเป็นแสงสว่างในจิตใจนะครับคำเพียริธรรมบอกเราว่าเมื่อจิตดวงที่ชื่อว่าโสพนะจิตจิตงามปรากฏนะ้ ปัญญาก็จะตามมาความงามเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็เรื่องในสิ่งอิตาเนื้อเห็นนะครส่วนใหญ่อิตาเนื้อเห็น น, นั้นเป็นเรื่องือสว ย, สวยแล้วมักจะเป็นเรื่องกิเลสตันหาไปจิตใจที่งดงามมันจะเห็นความงามในสิ่งที่กันอยู่เองในธรรมชาติได้ต้นไม้ในตัวมันมันไม่งามหรือมันไม่ไม่งามนะครับแต่เมื่อจิตใจงามนั้นเราจะรู้สึกถึงความงามได้เห็นแสงแดดหรือได้เห็นน้ํา ลาที่แหวกว่ายในน้ําอะไรนย่างเงียง่ายว่าจากความงามภายในเนี่ยมันจะส่งแสงออกมาภายนอกแต่ทุกวันนิ่นจะกลอบกันไหมครับการประกวดนา ง, งามมันดูจะมืดๆอยู่ดูจะมีอะไรทพิลึกพลึกและสวนทางกับคาสอนของพระเจ้าอยู่ไม่ใช่น้อยครับให้ดูมันจะเป็นการค้าอยู่เบื้องหลังการใช้เพื่อนมนุษย์เพื่อเพื่อเงินซึ่งเป็นเรื่องอธรรมนะครับ มีคำถามอีกไหมครับประมาณสิบนทีได้ครับ ไ, ไ, ไปพักได้เลยครับเสมมติว่าเราไปวิธีไปนะครับก็คือจับเครื่องบินจากกรุงเทพบินตรงไปลงจาการต์ตาเมืองหลงนะฮะต่อได้เลยครับไม่ไม่ต้องไปค้างคืนที่จา ก, กรารตาซึ่งเป็นมืองส ก, ก, กปรกอๆกรุงเทพนะฮะ เ, เราสามารถต่อเครืบินภายในประเทศไปลงที่ยอกยาจอกจา ก, กรารตามืองหลงเก่านะฮะ มาถึงที่นั่นแล้วก็ยังไม่ทันมืดครับเหมาแท็กซี่ก็ได้เพราะว่าจากจอคจาการ์ตาไปสู่บรูพุโตะมาณ45กิโลได้ครับเหมาแท็กซี่ก็ได้หรือถ้าอยากชื่นชมยอบยาเมืองลงเก่าเป็นชนบทเล็กๆครับน่าน่าน่าน่าน่าสนใจเหมือนกันก็จะดูหนังตะลุงหรือวายังหรืออะไรตามภาษาคนมีสตังเหลือนะฮะก็อาจจะพักคืนหนึ่งที่ยอคยา แล้วก็เพียงคืนเดียวนะรุ่งเช้าก็เก็บข้าวเก็บของไปพักที่บรโบโตนเชื่นชมที่นั่นแล้วก็อาจมีเวลาไปที่พรหมพนันเนอะพรหมบานังเนี่ยซึ่งเป็นฮิน ด, ดูสร้างหลังบรโบ์เบโดสวยมากเหมือนกันคนระับน่าน่าทักน่าดูน่าดู น, าดน้าชมเดีๆแล้วต่อจากนั้นก็ไปเซบูใกล้ๆกั น, นครับที่ว่าสี่ร้อยองค์ซึ่งกำลังเป็นก้อนหินล้วนๆอยู่นะ เรายังมีปอลซันพปอลซันนี่สวยมากครับสวยแต่ว่าคนไม่ค่อยไปเพราะมันไม่มีรถเมย์ครับแต่ผมไปพูดกับคนมีรถยนต์คนหนึ่งที่เขาเขาจะมาเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะอยากดูจริงๆเขาก็คิดตังค์นิดหน่อยครับพูดถึงจะไปนั่นแล้วก็กลับเลยไม่ไม่กี่สตังค์ครับแต่ว่าถ้าจะเลยบาหลี ด, ด้วยนี่ค่า จ, จ่ายก็เพิ่มขึ้นหน่อยแต่บาหลีก็น่าดูมากครับ มันทำให้เรานึกภาพชุมชนชนบทของบ้านเราเมื่อ50ปีออก้ดยเหตุผลที่ว่าแม้ความเจริญสังคมเมืองจอะเริ่มแผ่ขยายไปก็ตามโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ของบาหลีเป็นหลืกภูเขาไฟครับดังนั้นมันก็อนุรักษ์ปกป้องไม่ให้เกิดการพัฒนาที่แสนอัพยศเนี่ยนะผมเติมท้ายหน่อยนะ <c oughs> การพัฒนาแสนอับยศคือทำลายทุกสิ่งลงเพียงเพื่อความสะดวกสบาย นะในการเศษต่างๆมันเป็นหลืบเขาไฟนี่มันเป็นลิ้วอย่างนี้ครับแล้วมีน้ำลำธารไหลข้างล่างจะพัฒนาอะไรต้องทุ่มวงาประมาณมหาศาลนะครับนั้นสิ่งนี้ก็เลยรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบาหลีไว้ได้ชาวบาหลีคล้ายคนไทยมากครับมีอะไรที่คล้ายใกล้คเคียงไงมากคนคนผมหมายาคนไทยโบราณนะไม่ใช่คนไทยปัจจุบันนี้ แต่ผมได้ยินข่าวครั้งล่าสุดที่รัฐบาลกำงยะสร้างเจ้าแม่อะไรคัดเรียนแบบเจ้าแม่เสรีภาพที่นิยมหย่สูงที่สุดในโลกนี่คือหาญะครับเพียงเพื่อสนุกสงเกตดูสวนสนุกเกิดขึ้นมากนะฮะเพราะคนมันเหลวไหลขึ้นชอบสนุกกับเรื่องแบบนี้ครับส่วนการรื่นรมในวิญ ญ, ญาณ น, นี่มันเป็นอีกแบบหนึ่งผมไม่ชอบอย่างหนึ่งที่บริวชอคือ สวนข้างหน้าซึ่งแต่เดิมเป็นป่านะฮะถูกปรับให้เป็นสวนสนุกคล้ายดิสนีย์แลนด์ดูแล้วมันไม่ไม่ได้บรรยากาศที่จริงควรจะรักษาป่าปโปร่งไว้ตามเดิมครับเพื่อให้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเราไปชื่นชมอะไรสักอย่างหนึ่งเราชื่นชมทั้งบรรยากาศนะคือทั้งหมดของมันนั่นเองครับแต่ดูเหมือนรัฐบาลกลางจะไม่ไม่ค่อยตัดสินใจมาในแนวทางนี้ จำเป็นที่เขาต้องต่อสู้เพราะอินโดนีเซียยากส่วนมากนะปัญหามากมายเหลือเกินเป็นไปได้ทีเดียวอันนี้ผมอาจจะคิดด้วย อ, อัตรัยนะครับว่าบรอบุโท้นั่นเองรบรอบดนนั่นเอ ง, เองได้กลมกลาววิถีชีวิตจิตใจของชาวชวานะครับให้เอื้ออาทรจนกระทั่งให้กำเนิดคนสำคัญคนหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปแล้วซูกาโนครับ ผู้ที่ต่อสู้ปลดแอกปเทศชาติและผู้ที่นักปรัชญายอมรับในวิธีคิดในเรื่องปัญจศีน์หลักปัญจสีนปัญจศีนก็คือหลักที่จะทําให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกนี้นะครัท่านถแถลงไว้ห้าประการผมจําไว้หมดการแรกก็คือต้องมีความรักชาติชุมชนของตัวเองอย่างมากการที่2ก็คือต้องรักชุมชนอื่นชาติอื่นด้วย nationalism แล้วก็ internationalism แล้วก็ศาสนธรรมนั้นสัจจะมีหนึ่งเบียร์ข้ประกาศนี้เลยนะแล้วช่วยเหลือแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาใช้จำไม่ได้ครับลางเรือนเนาะหลักปัญญสีนี่ถูกประกาศขึ้นมาอย่างสง่างามนะที่จริงเป็นหลักพุทธศาสนาผมอาจจะโยงเองว่าสิ่ง น, นี้เป็นผลสืบเนื่องจากครั้งหนึ่งอนละราชอาณา จ, จักรศรีวิชัยได้ถูกถาปนาขึ้น แล้วเป็นเหตุให้พุทธธรรมแพกซึรรมซาบเข้าในวิถีชีวิตของเขาแมนะ้ต่อมาภายหลังนะครับพ่อค้าหลับได้พลิกอำนาจรัดทั้งหมดให้อยู่ในกามือและกลายมุสลิมก็ตามผมคุยกับชาววาแล้วรู้สึกว่านี่คือแบบฉบับของชาวพุทธตั้งแต่เขาบอกผมเป็นมุสลิมเอ่ <c oughs> นฮะเพราะเขาซอบทอมพูดกันเบามา ก, กนในรถไฟไม่เหมือนบ้านเรา วันเราโดยเฉพาะคนปากใต้นี่คนหนึ่งขึ้นประตูหน้าแล้วเมย์คนหนึ่งอยู่ประตูหลังตะโอนใส่กันเลยภาษาปากใต้ความยิงทธนงนั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกับมนุษยธรรมครับสมุนยิงทธนงมากเท่าไหร่ธนงตนมากมนุษยธรรมจะด้อยลงครับมีไหมครับมีคาถามไหม <c oughs> <c oughs> แสดังนั้นต้องเปิดคลาสก่อนครับ สต๊ดดี้ให้พอเพียงนันนะครับเพราะว่าพอไปเห็นแล้วมันจะตะลึงตะลา น, นครับนีเดี๋ยวนี้มีกลุ่มหนึ่งทางอีสานนะฮะเขากำ ล, ลังรวบรวมที่จะให้เป็นกลุ่มสต๊ดดี้บูรพุธโดยเราไม่ต้องลังเกียจเราเป็นชวาหรือเป็นอินโดนีเซียนะครับที่จริงคือเมื่อเราพูดถึงบรรพบุรุษชาว พ, พุทธเราไม่ได้หมายถึงอยุธยาหรือสุขโขทัยนะฮะความเป็นพุทธคือความเป็นพี่น้องนองครับดังนั้น ทาวชวาร์ครั้งหนึ่งเคยบรรลุถึงอารยธรรมพุทธันสูงส่งนงี้เราศึกษาได้เรายอมรับได้เราลักเขาได้แล้วเราก็เรียนรู้จากเขาได้ผมเองอยากเห็นเด็กรุ่นหลังโดยเฉพาะศิล ป, ปินรุ่นรุ่นหลังๆนะครับสาวสืบเสาะภูมิปัญญาให้ลุ่มลึกเพราะทุกวันนี้เราเจอปัญหาว่างานศิล ป, ปะมักเป็นงานที่ที่ไร้าสาระต้องพูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็เนื่องจากไร้าสาระ เนื่องจากทอดทิ้งศาสนธรรมนั่นเองทําให้สร้างรูปแบบศิลปะที่ใช้เทคนิคนําให้ดูมลังมลเลืองดูพลึกเกเกลอแต่ว่าแทบจะไม่มีประโยชน์ผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะจริงศาสนศิลป์นั้นเป็นสื่อที่สําคัญที่สุดครั้งอดีตครับแต่ดหมือนศิลปินรุ่นใหม่เขาถือเป็นเรื่องด้อยถ้าเอาศิลปะไปรับใช้ศาสนาถ้าไม่รับใช้ศาสนาก็รับใช้สาตานแล้วนะครับถพูดง่ายๆแล้วนั้นี่ย ทำไมรับใช้พระเจ้าไม่รับใช้ธรระ้ะก็รับใช้สานตา์รับใช้เนื้อหนังจะเรียกว่าศิลปะไม่ได้นะฮะแต่ที่ผมเน้นนั้นไม่ใช่ตัวศิลปะนะฮะแต่ผมจะเน้นเรื่องสุนทรียภาพผู้ที่เปี่ยมมาด้วยสุนทรียภาพอาจจะทำศิลปะไม่เป็นเลยครับเชรสเบิร์ีสนะครับวาดรูปไม่เป็นเลยแต่เขามีสุนทรียภาพสูงจนกระทั่งว่าได้แนะนำยู่ว่าศิลปินหลายคนดีๆครับ ศูนยุภาพคือความงามครับความรู้สึกในความงามในหัวใจความใจดีความมีสุภกรรมคํานี้เราไม่คุ้นหูแล้วนะครับเราคุ้นกับกุศ ล, ลกรรมกรรมที่เป็นกุศลต่มีศัพท์หนึ่งซึ่งรางเรือนสุภกรรมกรรมซึ่งลดงามยิ่งนะฮมันเนื่องจากความงามในหัวใจนั่นเองที่ทําให้เรามีวาจาที่เป็นมัธุรสต่อเครื่องมนุษย์ สิ่งนี้ ส, สำคัญมากนะและเป็นที่มาของศิลปะที่มีเสน่ห์ครับอา จ, จเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าดูแล้วมีมีเสน่ห์มากซึ่งครั้งอดีตเนี่ยบรรพบรุษของเราได้สร้างชุมชนด้วยดวงจิตชนิดนี้ฉเฉลียวฉลาดในเรื่องมโนธรรมใช้วัดสดุแต่น้อยแต่ได้รับความพึงใจสูง ปัจจุบันนี้เราใช้แมทรีซอย่างพุ่มเฟือลิสินเปลืองแล้วได้รับคำพึงใจน้อยนิดครับกํมาดูไปดูนะหัวกริดคดีด้ามกริดด้ามขวาเนี่ยเขาแกะเขมีเวลามากมายที่จะถ่ายทอดอารมณ์ music ภายในนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้รับขนานนามว่าเป็นรัตนยูผู้รู้ราตรีนานีรัเพราะว่าค่ำคืนยาวนานมากพอที่นั่งจ่ายจองปรัชญาธรรมะ สำรวจตรวจสอบอุปนิสัยของบุตรหลานดังนั้นไม่ช้าไม่นานเครับด้วยวิถีชีวิตเช่นนั้นกลายเป็นปลากพื้นบ้านทีนี้รัตตัญูพูดรู้รตรีนานไม่ค่อยมีครับเพราะเรานั่งดูทีวีกันจนเที่ยงคืนแล้วก็นอนเลยกินข้าวเสร็จก็ ด, ดูหนังดูละครน้ำเน่าไม่มีเวลาเลยที่จะมานั่งเห็นหิ่งห้อยเลืองแสงในที่มืดค่อยครัวและจ่ายตรองที่จริงห่วงเวลาที่ดีสุดคือหลังจะกินข้าวแล้วนะครับ ซึ่งไม่มีอะไรมาดิสแทร็ที่ดึงดูดไปไม่ช้าไม่นานหนึ่งครับความรู้สึกลึกซึ้งในตัวชีวิตเนี่ยมันจะเห็นอัดเห็นทำขึ้นเองครับโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในกระแสธรรมชาติคนที่นั่งจากสารในใต้ล่มไม้สี่สิปีอะไรจะเกิดขึ้ น, นครับคือความลุ่มลึกความทราบซึ้งในตัวชีวิตเนี่ยมันตามมาทันทีนะฮะแต่ทีนี้เราไม่มีครับเราวิถีชีวิตเช่นนั้นเราสูญเสียไปหมดแล้วเหมือนที่ผม เริ่มต้นว่าวิถีชีวิตของชาวบูรพทิตนะครับที่เป็นอยู่ง่ายงาย่สบายสบายเห็นไ้มคำนี้ ม, มีมีความหมายลุ่มลึกครับเดี๋ยวนี้เรามันอยู่สะดวกสนุกแต่เราไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมว่านะต้อมีปัญหามากมายที่เผชิญทา้าทายให้แก้ไขแล้วดูเหมือนจะแก้ไม่ตกด้วยนะครับฉะนั้นความก้าวหน้าของเราเนี่นะะรูปแบบที่ก้าวหน้าเป็นความก้าวหน้าที่ถดถอยได้ค่ะคือความก้าวหน้ามีนะฮะ ว่าเนื้อหาเนี่ยถดถอยคือ ย, ยิ่งก้าวยิ่งจมไปเรื่อยนะยิ่งแก้ปัญหาปัญหาใหม่ก็ผลิตออกมาให้แก้เรื่อยๆครับเราใช้เทคโนโลยีนําในสุดเราต้องค้นหาเทคโนโลยีเพื่อมาซ่อมเทคโนโลยีขึ้นอีกในสุดเราสาลวนเราตริดกับแล้วครับหรือเหมือนเรามาถึงจุดมุมอับแล้วครับคนคลั่งอดีตไม่มีเทคโนโลยีสูงนะแต่อาศัยทั้งพื้นสังคมเกษตรกรรมนะคร เอืออำนวยให้ให้มีชีวิตที่เรื่อยๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ตายเองครับไม่ต้องดิน้นรนอะไรแต่ว่าฟื้นชีวิตด้านในเพราะชีวิตด้านในนั่นเองครับที่เป็นเครื่องหมายของอารยธรรมที่แท้ครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเรียกว่าอารยธรรมถ้าว่าข้างนอกเราเหินไปด้วยยวดยานแต่ว่าข้างในเราดํำมืดข้างในเราตกต่ํานี่ถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดต้อง ถูกแก้จากไหนสุดออกไปข้างนอกครับแต่ทุกวันนี้เหมือนเราจะตีเรดารแก้ปัญหาด้านนอกกันมนุษย์ค่อยๆถดถอยด้อยค่าด้านคุณภาพลงทุกทีในขณะที่รูปแบบไลฟ์สไตล์ดูเสมือนว่า ก, ก้าวหน้าเห็นไหมฮะนี่เองที่เป็นเหตุที่เราต้องทำไมต้องบรโรป โ, โดครับทำไมเราต้องคำนึงถึงความงดงามของที่นั่นทาไมเราต้องเรียนรู้<ม>ภูมิปัญญาครั้งดี ซึ่งทอนโดยตรงออกมาจากศรัทธาในหัวใจถ้าเป็นเรียนศิล ป, ปะมะบ้างหรือเป็นคนที่มีความไวอ่อนในเรื่องจิตใจนะฮะความไวอ่อนไม่ใช่ใจอ่อนเนะี่ยความว่องไวเส้นสติเนี่ยเราจะพบบรมโจสอนมากครับเป็นเสมือนเครื่องหมายของการุณยธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับเราจะคุยโวในฐานะชาวพุทธว่าพุทธศาสนาหรือศาสนาปัญญาผมว่าไม่ใช่เรามาดูวิธีบวชนะ การบวชของพรามนี่คือบวชเข้าสู่อำนาจครับเด็กหนุ่มพอเขาวัยที่กําหนดไว้ก็สวมสา ย, ยันโยบวิดเป็นพรามเพื่อเข้าเป็นมีเดียเตอร์สื่อกลางเข้าสู่วันนะอันสูงส่งคือบวชเข้าสู่วั น, นะครับแต่ฝ่ายพุทธศาสนาเราบวชออกจากอำนาจครับถือว่าธรรมะคืออำนาจที่แท้จริงแต่ทางโลกถือว่าอำนาจเอาอำนาจมาเป็นความถูกต้องใครมีอำนาจคนนั้นก็ชนะ ฉั น, นั้นเมื่อพระเจ้าออกบวชท่านก็เลยลงมือคัดค้านวิถีชีวิตคานพระามตลอดเวลานะครับศาสนาพระไม่มีอะไรเมา ก, กัรยันยกรรมครับเอาชีวิตของแพะของแกะเพื่อปนเรอพระเจ้าในขณะที่พระเจ้าท่านเริ่มแสดงการุณยธรรมศาศนาพุทธเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตลอดพระชนชีพของพระเจ้าเป็นการเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นมีความสุขกล่าวได้นะครับว่าการุณยธรรมได้ถูกประกาศอย่าง มดงามยิ่งที่บริโภคเดือดเมื่อไปเดินรอบๆแล้วจะรู้สึกสบายรอยยิ้มของพระโพสัก็ดีถ้าเยืงกลายถ้ามุทาราเนี่ยมันเหมือนคําปลอบปโลมในหัวใจต่อผู้ศึกษาว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกชีวิตไม่มีอะไรยึดกลุมความรู้สึกทางธรรมะให้ดีนะรักษาหัวใจให้ให้ดีไว้ตลอดจะชนะอุตสราห์ทั้งปวงผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าอาจจะเพลิพกไปตาม วาสนาบารมีก็ได้นะเพราะว่าศิลปกรรมเป็นสื่อที่ลุ่มลึกอยู่ในตัวมันเองครับถ้าว่ามันไม่ถูกเสรสร้างอย่างเสแส้งถ้าเสแสร้งอีกเรื่องหนึ่งครับแต่นี่เขาทำด้วยด้วยแรงศรัทธาเห็นได้ในความประนีตบรรจงในการวางท่าขององค์พระอิศรคดีนะีิที่ติดบรรจงนุ่มเหมือนเขาจะรู้ว่าเขากำลังทําเพื่ออนุชนรุ่นหน้าเขามันจะต้องการแสดงออกขึ้นฟั่ง อีโก e ของเขาเพื่อค่าหนึ่งในแผ่นดินดูเหมือนังไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับ mm hmm. ดมือนเขาพยายามเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอดีตที่เขาเริ่อมใสนะครับกับปัจจุบันที่เขากําลังดํารงอยู่และเอื้อทอนไปสู่อนุชนข้างหน้าดังนั้นอาร์ติเต็ตนายช่างจึงวางแผนอย่างแยบยนที่ใช้ก้อนหินเล็กๆ ก, ก, ก็ได้เหตุผลว่าจะคุ้มครองมันให้นานที่สุดคนไทยโบราณก็เหมือนกันครับเขาคงมีศาสนามากนะ ในยุคที่ไม่มีหนังสือในยุคที่ไม่มีเครื่องมือถ่ายทอดโดยความเอื้อเฟื้อการดุลยธรรมของพระรอรหันต์ข้าพรอดีตลงทุนแบ่งกลุ่มแล้วใช้มุกาาปกระป่าถ่ายทอดเป็นรุ่นเป็นรุ่ น, เ ป, น, น, เ, ป น, นเป็นรุ่นเพื่อให้คนรุ่นหน้าได้สัมผัสนี่คือเรื่องราวของอดีตครับอดีตไม่ใช่สิ่งที่ต้องไม่ยึดถือคล้คายคอดีตไม่เกี่ยวคําสอนพระเจ้าอยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้นผมว่าเขาจะผิ อดีตมีความหมายยิ่งครับบางทีเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดสุนทรนาคจริงๆนั้นเรายังมันยังไม่มาจริงๆด้วยนะฮะเราเรียนอะไรได้น้อยมากครับแต่อดีตสําคัญมากความสําคัญไม่ได้อยู่ตรงความยิ่งใหญ่หรือความด้อยสำคัญตรงเป็นบทเรียนซึ่งปรากฏขึ้นแล้วครับแล้วถ้าเราเรียนรู้อดีตให้พอเพียงนะครับเราจะรู้ทันทีทิศทางอารยธรรมนี่อันตรายยิ่งที่เป็นอยู่ในทุวันนี้ เมื่อสมองพัฒนาไปไกลห่างเหินไม่ได้ส่วนกับหัวใจนะกับอารมณ์สึกด้านหนึ่งเนี่ยันคืออันตรายครับอันตรายตรงโน้คิดเก่งคิดมากแต่รู้สึกคล้อยตามได้น้อยนิดเดียวครับคิดว่าเวลาร่วงเลยมาแล้วครับข อ, อยุดิีเท่านี้ครับ